ยุคโลกีรุ่งเรืองสุดๆนี้นี่แหละโลกเสื่อมสุดๆแต่สังคมโลกยุคนี้มันไม่ใช่ยุคโน้นมันเปลี่ยนเป็นเจริญรุ่งเรืองแบบโลกรีสิวิลา ย, ยิ่งยอดฉลาดเลิศไปสุดๆในความเป็นมนุษย์เป็นสังคมโลกรีกันแล้วแต่นี่แหละคือโลกขั้นเสื่อมสุดแล้วเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงสามารถสร้างสังคมสา ร, รานิยธรรมหกที่ถึงขั้นเป็นสาธารณโภคีได้ในหมูม่มวลชนที่เป็นครว่า ด, ด้วยได้อย่างมีภาวะแห่งการหมุนรอบเชิงซ้อนปฏินิสักะคัมพีราวภาโศของคุณธรรมหลากหลายชั้นของมนุษย์ ที่สนิทเนียนเป็นความมหัศจรรย์พิเศษยิ่งจึงน่าทึ่งสุดๆจริงๆสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยคิดว่าโลกนี้จะมีด้วยหรือความน่าทึ่งปานชนีหรือคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้จริงๆสังคมที่มีนิยายน่าทึ่งของโลกปานชนีนี่แหละ จะเกิดขึ้นให้โลกทึ่งได้จริงๆจนกว่าจะสิ้นสุดโลกไปตามสัจจะและตามสัจจะอีกแหละในยุคเดียวกันที่มนุษย์มีภูมิธรรมสามารถสร้างสังคมสาธารณะโภคีได้จริงขึ้นมานี้เองสังคมส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมสุดด้วย ถึงขั้นทำลายแบบเผาผลาญกันจนเรียกเปรียบเลยกันว่ามีไฟบนไลการไหม้โลกหรือมีน้ำท่วมโลกก็จริงที่สุดไปตามสัตว์จาะเช่นกันแต่โลกเลวร้ายขนาดน้ำท่วมโลกตายกันเป็นเบือหมดโลกปานนั้น โลกก็ยังมีเรือโนอานาวาบุนิยมให้แก่สาธารณโพกีนี้แลที่ช่วยมนุษย์และสัตว์โลกเอาไว้จานวนหนึ่งแน่นอนที่สุดจะมีมนุษย์จํานวนหนึ่งน้อยนี้ที่ขึ้นเรือโนอาหรือเรือนาวาบุนิยมรอดชีวิตจากความเลวร้ายมหาประัยกันนี้ได้